เมื่อเป็นสามมเนนในการบวชเป็นสัมเนนคราวนี้ผู้ประถมที่เรียกกันในจานวนพระว่าโยมอุปถากคือคุณแม่ริ้วสืบสิริซึ่งเป็นโยมอุปถายิกาของท่านมหาสิริคุณแม่ริ้วเป็นพยาบาลพดุงครรภมีสามีเป็นบุรุษพยาบาลอยู่ที่ซอยริ้วสืบสิริใกล้ๆวงเวียงเล็กสมัยนั้นเวลานี้ วงเวียนเล็กได้ถูกรื้อไปแล้วท่านที่ไม่ทันเห็นวงเวียนเล็กก็ขอให้นึกถึงเชิงสะพานพุทธฝั่งทนบุรีและโรงเรียนศึกษานาร리วงเวียนเล็กอยู่ตรงหน้าโรงเรียนศึกษานารีพอดีคุณแม่ริ้วเป็นข้าหาปตานีผู้มั่งข้างคนหนึ่งในสมัยนั้นมีบ้านใหญ่โตไม้สักทั้งหลังเป็นคนอ้วนแต่ก็เดินไปวาดบุพสารามได้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 คือทั้งเรียนเก่งและเทศเก่งอยู่สองรูปคือท่านมหาสิริป ร, รียนธรรมหกท่านมหาอาคมป ร, รียนธรรมห้าต่อมาได้รับสมณศักเป็นพระธรรมรัตนายิโลกเจ้าอาวาสวัดปู่ารามต่อจากท่านเจ้าคุณพระธรรมวราลังการอนุภาโสผู้ซึ่งเป็นอุปชาของข้าพเจ้าในสมัยที่ดำรงสมณศักเป็นพระอนุมัคุณมนี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 ช่างมีความสุขและความพอใจแซนี่กระไรรู้สึกทราบซึ้งในพระพุทธภาสิทธ์เริ่มตั้งแต่นั้นมานอกจากนี้ยังได้อ่านพุทธประวัติซึ่งไม่เคยได้อ่านมาก่อนได้ท่องธรรมะและวินัยในนวโกวา่าได้หัดเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมและอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสืออธิบายวินยัย โดยสมเด็จพระมหาส ม, มาณะเจ้ากรมมพระยาวชิรยานวโรรสล้วนแต่เป็นของชอบทางนั้นข้าพเจ้าจึงเรียนนักธรรมเรียนสูตรมนอยังไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแม้จะยากไปบ้างสำหรับบางเรื่องเช่นวินัยมุกสำหรับข้าพเจ้าซึ่งอายุเพียงสิบสามในขณะนั้นแต่ก็ชอบอ่านแม้จนกระทั่งบัดนี้คือพุทธศักราช2549 เมื่อสอบนักธรรมชั้นตรีได้แล้วในปีนั้นท่านอาจารย์ให้เริ่มท่องบาลีวยาก์จำนวนสี่เล่มคิดเป็นจำนวนหน้าถึงห้าร้อยสี่หน้าตั้งใจท่องได้ความอดทนพราะอยากรู้จำไม่ได้ว่าต้องไปท่องให้อาจารย์ฟังหรือเปล่าไปเข้าโรงเรียนฟังอธิบายบาลีวยาก์ดูเหมือนท่านมหาสิริฐานายุตโตเป็นผู้สอนท่านเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างดู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 แต่ละข้อยาวกว่าของนักธรรมชันตรีถึงสามเท่าเพราะเป็นคาถาสี่บาทของนักธรรมชันตรีมีบาทเดียวข้าพเจ้าท่องหมดทุกข้อทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยไม่ได้เลือกท่องเพื่อเก่งข้อสอบเลยเมื่อได้นักธรรมชันโทแล้วและท่องบาลีวิจกรสี่เล่มจบแล้วก็เริ่มแปลหนังสือธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรของป ร, ริญญาสามประโยค มีทั้งหมด8ภาคโดยกันเป็นหนังสือขนาดแดหน้ายกจำนวนหน้าถึง 1,224 หน้าไม่ใช่น้อยเลยสำหรับสำมาเรีอายุส5บห้าหนังสือชุดนี้เป็นอัธกถาธรรมบทผลงานของพระพุทธโคสาจารย์ชาวอินเดียมาทำงานในสีลังกาเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากยกคาถาพระพุทธภาสิทธ มาจากคมพีธรรมบทขุทกานิกายพระไตรปิฎกเล่ม25ห้ามาตั้งแล้วเล่าเรื่องประกอบแล้วอธิบายคำยากในพระพุทธภาษิตเพียงเล็กน้อยผู้เรียนได้เพลิดเพลินไปกับนิทานประกอบเรื่องได้ธรรมะจากพระพุทธภาษิตและคำอธิบายเล็กน้อยแต่นักเรียนจะกลัวคำอธิบายที่เรียกว่าแก้อัดเพราะยากกว่าโนอื่น เขาพระเจ้าเรียนด้วยความเพลิดเพลินพร้อมด้วยพระอื่นๆรวมทั้งพระพี่ชายด้วยกลางคืนมักจะไปรวมกันที่ห้องใดห้องหนึ่งแล้วช่วยกันแปลการไปเรียนบาลีที่โรงเรียนมีไม่มากนักส่วนมากเรียนด้วยตนเองเท่าที่จำได้รู้สึกว่าพระมหาปลอดริยทัศสีสอนอย่ระยะหนึ่งจำไม่ได้ว่ากี่เดือน ถึงเวลาสอบสนามหลวงคือสนามใหญ่ของคณะสงฆ์ข้าพเจ้าสอบได้สร้างความตื่นเต้นพอใจให้กับท่านอาจารย์และสนักเรียนยมิใช่น้อยท่านอาจารย์เริ่มมั่นใจในตัวข้าพเจ้ามากขึ้นคุณแม่ริ้วสืบสิริซึ่งเป็นโยมอุปถัยิกาก็าดีใจนําปากกาหมึกซึมมาถวายเป็นรางวัลโยมรุ่นท่วงเวียนใหญ่ซึ่งได้ถวายอาหารบิณฑบาตอยู่เป็นประจํา และคุณนาลิมวานขอพรผู้เป็นลูกสาวก็ได้นำปากกาหมึกซึมมาถวายด้วยแต่คนละสีกันข้าพเจ้าเองก็รู้สึกปลื้มใจและภาคภูมิใจอยู่มิใช่น้อยเพราะได้เปลี่ยนฐานะจากสัมเนนธรรมดาเป็นสามเนนปเรีย น, ยนแม้จะเพียงสามประโยคก็ตามถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนว่ามีข้าพเจ้าเป็นสมมเนนปรเรียนอยู่เพียงรูปเดียวในเวลานั้น ปีหลังๆต่อมาจึงมีสำเนาเรียนป ร, รียนมากขึ้นพระพี่ชายของข้าพเจ้าก็สอบได้ในปีนั้นเหมือนกันคือประมาณพุทธศักราช2493ปีต่อมาเรียนป ร, รีย์ธรสี่ใช้หนังสือมังคลาถาทีปนีภาคหนึ่งเป็นผลงานของพระสริมังคลาจารย์ชาวเชียงใหม่แต่งอธิบายมงคล38ตั้งแต่มงคลที่หนึ่งถึงมงคลที่สอง คือการไม่คบคนผ่านไปจนถึงการงานไม่ข้างค้างเป็นหนังสืออธิบายธรรมะมีนิทานประกอบข้าพเจ้าชอบมากอ่านอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นหนังสือแปหน้ายกประมาณสามสิห้าหน้าปีนั้นข้าพเจ้าสอบได้อีกปีต่อมาเรียนป ร, ริญญาธรรมห้า 5, ใช้หนังสือสมัญต์ปาราสาธิกาภาคสามที่พระเนนเรียกกันสั้นๆว่าสามม์ เป็นอัธกถ า, าวินัยแปลยากมากต้องใช้ความอดทนอย่างสูงหนาถึง570หน้าเป็นหนังสือขนาดใหญ่8หน้ายกพิเศษอ่านไม่สนุกแต่จำเป็นต้องเรียนเพราะเป็นหลักสูตรปีนั้นสอบได้พอเรียนธรรม5ปีต่อมาเรียนพอเรียนธรรม6ใช้หนังสือมังคลาถาทีปนีภาค2หนา482หน้า อธิบายมงคลสาสบแปตั้งแต่มงคลที่สิบสาถึงมงคลที่สาสิบอ่านสนุกเพลิดเพลินปีนั้นสอบป ร, ริยนธรรมหกได้ปีที่ข้าพเจ้าได้ป ร, ริยนธรรมหกนั้นท่านเจ้าคุณพระเทพกิติเมธีฐานายุตโตสมัยยังเป็นพระมหาสิริอยู่สอบได้ป ร, ริยนธรรมเจ็ปีต่อมาข้าพเจ้าเรียนป ร, ริยนธรรมเจ็ด ใช้หนังสือสมัญต์ภาษาทิกาอัฐกถาวินัยภาคหนึ่งและภาคสองยากกว่าภาคสที่ใช้เรียนปรเรียนทรห้าแต่ก็ยังสอบได้และได้นักทำเอกด้วยในปีนั้นท่านอาจารย์และทางวัดตื่นเต้นและดีใจกันมากรวมทั้งท่านอุปชาด้วยพอมีสมเด็จสอบได้เป็นปรเรียนเอกเป็นองค์แรกของวัดเล่าลือกันไปมากพอสมควรว่าเป็นคนเรียนเก่ง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 ตั้งอยู่หน้าวัดบวรนิเวศวิหารตึกที่เป็นสำนัก ง, งานแม่กองธรรมอยู่เวลานี้มีพระภิกษุที่วัดบุพารามไปเรียนหลายรูปดดวยกันข้าพเจ้าเองตั้งใจไว้ว่าเมื่อเรียนถึงป ร, รียนเอกแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรียนในระบบมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยหวังว่าจะได้วิชาสมัยใหม่มาช่วยส่งเสริมการอธิบายธรรมทางพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าลืมเล่าไปว่า เขาพระเจ้าสามารถเทศนาปากเปล่าที่เขาเรียกกันทางวัดว่าเทศปฏิพานตั้งแต่ได้นักธรรมโทแล้วและก็ได้เทศปฏิพานเรื่อยมาทั้งในวัดและต่างจังหวัดทางวัดก็ชื่นชมยินดีที่มีสมณีนปเปรียนสามารถเทศปฏิพานได้เพิ่มขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนอกจากท่านมหาเริฐานายุตโตและท่านมหาอาคมอุตโร บางคราวเมื่อมีงานทางวัดมีเทศสามธรรมากท่านทั้งสองได้ดึงเอาข้าพเจ้าซึ่งเป็นสมมเนมขึ้นไปนั่งเทศด้วยรูปหนึ่งท่านมหาอาคม น, นั้นนิยมกันว่าเทศดีเสียงดังท่านได้ปเปียนเจ็ดหลังจากข้าพเจ้าหนึ่งหรือสองปีจำได้แม่น